เสกคะสะเพราะยังต้องศึกษาเนี่ยนะสุมเมธาเนี่ยนะครับว่าสุมเมธาเป็นชื่อของพระเสขะคืออะไรผู้ที่กําลังศึกษาในอธิศีนอธิจิตและอธิปัญญาคําว่าศาสตราที่เอามาขุดเนี่ยขุดปัญญานั้นเป็นชื่อของปัญญาที่เอามาขุดส่วนอ่ะภาคเพียรพยายามเนี่ยนะด้วยกายด้วยใจความเพียร น, นั้นย่อมเป็นคติแห่งปัญญาทีเดียวความเพียรที่เป็นคติแห่ง โลกิยะปัญญาจัดเป็นโลกิยะเป็นคติแห่งโลกุตระปัญญาจัดเป็นโลกุตระชี้แจงว่าเล่ากันมาว่าพราหมณ์ชาวชนบทคนหนึ่งออกจากบ้านแต่เช้าตรู่พร้อมด้วยมานพบนักนะลูกศิษย์ทั้งหลายเนี่ยนะตอนกลางวันก็สอนมนในป่าตอนเย็นก็กลับบ้านระหว่างทางก็มีจอมปลวกอยู่จอมหนึ่งจอมปลวกนั้นกลางคืนก็พ่นควันออกมาตลอดกลางวันก็พ่นออกมาเป็นไฟ พรามนั้นก็พูดกับสุเมธามานพลูกศิษย์ว่าลูกเอ้ยเนี่นะจอมปลวกนี้กลางคืนมันพ่นควันกลางวันมันพ่นไฟเราจะเห็นความผิดปกติของจอมปลวกในอะไรมันอยู่ในซ่อนอยู่ในจอมปลวกมันลุกมาเป็นไฟได้ยังไงมันพ่นควันมาได้ยังไงเพราะฉะนั้นเจ้าจงทำลายมันแล้วก็แบ่งออกเป็นสส่วนแบ่งจอมปลวกนี้ออกเป็นสส่วนศิษย์นั้นก็รับคาใช้จบนะ ใช้จับจอบแล้วก็ใช้เท้าทั้งสองนี่เหยียบพื้นดินก็กระทาอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็เปรียบเหมือนกับอาจารย์พระเสขผู้เจริญไตรสิกขาก็เหมือนกับสิทธ์ร่างกายก็เปรียบเหมือนกับจอมปลวกเวลาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนพิกโซเธอจงแบ่งกายที่เกิดจากมหาพุตรูปทั้งสีอนกายเนี่ยเป็นที่ประชมแห่งมหาพูธรูปสี่ กำหนดถือเอาเป็นอารมณ์ก็เหมือนกับบอกว่าไอ้จอมปลวกเนี่ยกลางคืนเป็นขวันกลางวันเป็นไฟเราเห็นความผิดปกติของจอมปลวกนั้นเธอจงแบ่งจงทําลายออกมันเป็น4ส่วนแล้วก็ทิ้งไปอธิบายว่ากายของอการกําหนดกายสําหรับพระเสขะโดยเป็นธาตุสี่เป็นอารมณ์แสดงว่าพระพุทธเจ้าสอนธาตุกรรมฐานเนี่ยนะสอนธาตุกรรมฐานคือการกําหนดธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟและธาตุลมกายนี้เนี่ยนะเป็นที่ประชุมแห่ง ธาตุสี่ประกอบด้วยปฐวีธาตุปฐวีธาตุคือลักษณะที่แข็นแข็งที่มีอยู่ในกายนี้การเจริญวิปัสสนาเนี่เจริญกายริสัมผัสเนี่ยเจริญปัญญาเจริญปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าจะความแข่นแข็งของผมไม่ต้องนั่งรูปผมไหมไม่ต้องเอาขนเน่ต้องนั่งรูปคิ้วตัวเองอยู่ตลอดเวลาไหมนั่งรูปหนวดรูปคราอยู่ตลอดเอาจะได้รูปแข็งไงไม่ต้องใช่ไหมผิวหนังก็ต้องนั่งรูปอยู่นั่นใช่ไหม จรงจะรู้แข็งแล้วก็ดูก็ทําไงครับเนี่ยข้อหน้าแข้งไม่ใช่ถ้าตับเราต้องเอาอะไรจิ้มเออมันแข็งจริงๆอ่ะใช่อ่ะอ้าวมันแข็งไม่ใช่หรือม้ามไงโอ้เจาะไปไปกันใหญ่เลยเรื่องยาวเลยใช่ไหมเพราะเขาเรียกว่าเจริญปัญญาปัญญาจะเห็นลักษณะที่แข่นแข็งว่าเออเข้าใจว่ามันแข็งมันแข็งมันไม่เหมือนอะไรมันไม่เหมือนไฟไม่เหมือนลมก็แล้วกันอันนั่นไอ้ที่เหลือในอะไรมันแข็งแล้วล่ะ ที่มันไม่ใช่เอึบอาบมันไม่ใช่เกาะกลุมมันไม่ใช่ชุ่มชื้นมันไม่ใช่เร่าร้อนมันไม่ใช่เคลื่อนไหวพัดผันเนี่ยนะไอ้ที่มันแข็งแข็งทั้งหมดนั่นแหละเป็นแข็งเนี่ยนะความแข็งบางอย่างเชื่อไหมขอใช่แต่ปัญญาคิดก็พอเลยนะไม่ต้องเอากายจะสัมผัสไปคิดใช่ไหมอันนะถอดรองเท้าเดินบนถนนเลเนีถนนลูกรังด้วยนะแหมเชื่อเลยไหมว่าแข็งอันนีย้ยอมรับว่าแข็งจริงๆเลยนะ ไฟเนี่ยมันร้อนบอกไงอะระลุกสัก500รอองศานี่ยเป็นยังไงไฟที่เผาอิดเนี่ยพันสอ0รองศาบาง800ร้อองศาบางอันเนี้ยแต่เราต้องอทดลองไหมเออมันร้อนจริงๆใช้อะไรไปทดลองล่ ะ, ะนั้นพวกการกําหนดท่าสี่เนี่ยมันกำหนดด้วยปัญญาไม่ได้เจริญกา ย, ยสัมผัสนะการพิจารณาท่าสี่นั้นเจริญวิปัสนาปัญญาปัญญาจะเข้าถึงเออผมในธรรมชาติลักษณะที่ แข่นแข็งหรือหยาบอาการที่มันหยาบอ่ะคําว่าหยาบมันก็แปลว่าไม่ได้ละเอียดว่างั้นเถอะอาการที่มันหยาบถ้าหยาบน้อยๆเขาเรียกว่าละเอียดหรือนิ่มนวลแต่จริงก็คืออาการที่แข็งแต่ภาวะที่แค่งแข็งมันมีน้อยอันนี้เป็นการเจริญปัญญาว่าเ อ, อผมเนี่ยแข็งแข็ง น, นสิ่งที่มีแค่งแข็งที่มีอยู่ในกายนี้ประกอบไปด้วยผมขนเล็บฟันนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับ ทางผือดม้ามปอดลำไส้ใหญ่ซ้ายรัดไส้อาหารใหม่อาหารเก่ามันสมองในกระโหลกศีรษะจริงมันกะโหลกมันสมองในกระโหลกซีสะมันก็ยุ่ยๆเหมือนเต้าหู้นะใครเคยทานเต้าหู้เต้าหู้ต้มจืดบ้างนะนั่นแหละมันสมองก็เล่่่แบบนั้นแหะมันก็เล่่่แบบนั้นก็ยังเรียกว่ามันแข็งแต่ความปริมาณความแข็งมันมันไม่มากถ้าเทียบกับถ้าเทียบกับผมนะถ้าเทียบกับกระดูกถ้าเทียบกับฟันแต่สรุปว่าสิ่งเหล่านี้ก็คือลักษณะที่แค่นแข็งที่มีอยู่ใน กายนี้อะไรลักษณะที่เออบาบปิดตังเสมหังปุบโพโลหิตังเสโทเมโทอสตวัสาเคโลสิงคานิกาวสิกามุตังเนี่ยนะก็คือน้ำน้ำดีเนี่ยนะปิดตังน้ําดีเสมหังน้ํา <c oughs> เสมหะหรือเสเลดเนี่ยนะปุบโพน้ำน้ำหนองหรือน้ําเหลืองเนี่ยนะหรือว่าบางท่านก็บอกว่า น้ำคัดหลังอะนะน้ำคัดหลังที่มีอยู่ในกายเนี่ยโลหิตตังก็คือเลือดเนี่นะโพโลหิตังเสโทก็คือเงือเมโทมันข้นนะนะเมโทอสุน้ําตาวัสาน้ํามันเลวลสิกาน้ําไขข้อมุดตังน้ําปัสสวะเนี่นะละัษกาน้ําไขข้อไหมมุตังมัด น, นพวกนี้ก็เป็นธาตุน้ําที่มีอยู่ในกายนี้ธรรมชาติที่มันเอิบอาบธาตุน้ํารู้ได้ด้วยใจอย่างเดียว ไม่ใช้ประษาสัมผัสทั้งอย่างเนี่ยนะความเอิบอาบไม่รู้ได้ด้วยใจแต่ทีนี้ไม่ใช่ใจธรรมนาแต่ใจที่ประกอบด้วยปัญญาวะเออเนี่ยธาตุดินมีอยู่ในกายนี้ธาตุน้ํามีอยู่ในกายนี้แล้วก็ธาตุไฟลักษณะที่อะไรอบอุ่นใช่ไหมเร่าร้อนธาตุไฟที่ทําให้ร่างกายอบอุ่นธาตุไฟที่ทําให้ร่างกายป่วยไข้ทําให้ร่างกายแก่ชราเนี่ยนะ เนี่ถ้าลดธาตุไฟลงก็อาจจะแก่ร้อช้า ล, ลงไปไม่ถ้าแช่แข็งไปเลยเนี่ยนะมันอาจจะเนี่ยนะมันก็ไม่ช่อีกใช่ไหมรถไฟมันก็กลายเป็นแช่แข็งแต่สรุปว่ามันยังไงมันก็คือธาตุไฟธาตุไฟที่เกิดจากกรรมเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็ธาตุไฟที่ช่วยระบบการย่อยสลายธาตุไฟมีอยู่ในสกายนี้เนี่ยนะเช่นความอบอุ่นปกติในร่างกายของเราเนี่ยใช้ธาตุไฟประมาณเท่าไหร่ 37องศาเนี่ยนะถ้ามันลดเหลือสัก34ก็เตรียมเกิดใหม่ได้แล้วเนี่ยนะถ้ามันเพิ่มสัก50อุ้ยตายตั้งแต่40กว่าแล้วอยงนั้นอะไม่ได้ถึง50อะไรรอเพราะฉะนั้นกายนี้ก็เป็นที่เนี่ยาธาตุไฟก็มีอยู่ในกายนี้มันเร่าร้อนอยู่ในกายนี้เนี่ยนะมันก็ความร้อนมันก็มีอยู่ทุกเซลล์นั่นแหละนี้ต่อไปาธาตุลมอะที่ทําให้ร่างกายเนี่ยนะเลือดสูบฉีดเพราะอะไร ถ้าไม่ใช่ลมเนี่ยนะรวดเลือดสูบฉีดไม่ได้มันลมเนี่ยทำให้เลือดเนี่ยสูบฉีดในร่างกายเรียกว่าลมที่พัดทําให้พัดผ่านทั่วสารพางกายให้แผ่ขยายยกมือเป็นต้นเนี่ยนะมันจึงมีลมพัดขึ้นเแบื้องบนลมพัดลงเแบื้องล่างลมในช่องท้องอะนะลมในช่องท้องเนี่ยนะที่ทำให้อ่าลมแล้วก็ลมที่อยู่ในช่องท้องก็คือที่ทําให้ลําไส้กรอกากรากเป็นต้นแล้วก็ลมพัดทั่วสารพางกายเนี่ยนะทำให้ขยับมือและ อะไรยักคิว้วหลิวตาอะไรได้ทั้งหมดนี่ก็ธาตุลมนั่นแหละเป็นปัจจัยแล้วก็สุดท้ายก็คือลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับจอมปลวกเพราะไม่มีใครอยู่ในนั้นเลยผมใช่ไหมเป็นเราเราใช่ไหมเป็นผมทำมาไล่ดูอันหนึ่งแล้วนะทุกอย่างเนี่ยมันเป็นที่ประชุมของสิ่งปฏิกูลต่างๆเพราะฉะนั้นกายเหล่านี้จึงประดุจเช่นกับจอมปลวก นี้เขบอกว่ากายนี้ที่เป็นประดุจชอบปลวกกลางวันกลางคืนพ่นควันกลางวันพ่นไฟนนแล้วก็พระพุทธเจ้าก็แนะนำนะพระพุทธเจ้าผู้เป็นพรามแนะนำลูกศิษย์ผู้เป็นพระเสขาที่กำลังศึกษาในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ใช้ปัญญาแล้วก็ขุดคือวิรยิยะเนี่ยนะขุดลงในกายนี่แหละขุดไปขุดมาเจอวิชาเข้าออมานะ ถามว่าเพราะเหตุไรพระผู้มีพระภาคจะะเจ้าแสดงอวิชชาเปท็ที่ที่ชื่อว่ากรอนเหล็กเนี่ยนะลิงคีดิงคีเนี่ยลิงคะลิงคีเนี่ยลิงคะ ล, ล, ลิงคีตัวเนี้ยแปลเหมือนกับเป็นลิ่มสลักอธิบายว่าเหมือนอย่างว่าเมื่อปิดประตูเมืองใส่ลิมสลักมหาชนก็ขาดการสัญจรกระว่าขาดการไปขาดการมาชนที่อยู่ภายในเมืองก็คงอยู่ในเมืองนั่นแหละคนที่อยู่นอกเมืองก็อยู่เฉพาะ นอกเมืองเท่านั้นไม่มีการสัญจรแค่เราว่าถ้าประตูเมืองเนี่ยนะถ้าประตูเมืองปิดเป็นกฎมนเทียนบานห้ามเปิดแม้แต่พระบรมราชโองการภาวะปกติเนี่ยนะเว้นไว้แต่ว่ามีอายการมีกฎอายการศึกอะไรขึ้นมาปั๊บซึ่งมันลักษณะแต่โดยปกติทั่วๆไปแม้แต่พระราชาอยู่นอกเมืองเนี่ยเรียกทหารยามให้เปิดยังเปิดไม่ได้แล้าไม่มีการทําเรื่องทําราวเนี่ยนะแค่เราว่าเป็นกฎมนเทียบานกฎรักษาบ้านเมือง ของสมัยโบราณเนี่ยพันธะวิชาเนี่ยอวิชาเหมือนกับลิ่มกรอนเนี่ยก็ไม่มีการไปการมาฉันใดกรอนเหล็กคื่ อ, อวิชาก็เหมือนกันถ้าตกลงไปในปากคือยานถ้าอาวิชาตกในปัญญาของผู้ใดการไปจากวัะสู่พระนิพพานของผู้นั้นก็ตัดขาดพันธะอาวิชาเกิดแล้วก็หมดเลยก็เหมือนกับว่าถ้าอย่างทางที่เราไม่เคยไปเนี่ยถ้าหลับตาสักอย่างเดียวทําไงต่อเอางี้นะแม้กระทั่งทางที่เคยไปเนี่ยนะ ขับรถที่เป็นถนนตรอกซอกซอยนะฮะหลับตาเลยแล้วรถสวนไปสวนมาเยอะๆเลยเนี่ยนะทไงดีไปจอดนิ่งอย่างเดียวใช่ไหมเพราะถ้าคืนอ่คก็เรียกว่าดิ้นรนทุรนทุรายอะไรจะเกิดขึ้นนะก็ยิ่งไปกันใหญ่อาวิชาเนี่ยเป็นตัวที่เรียกว่าปิดปิดเ ส, เส้นทางการสัญจรนะปิดเลยปิดนั้นคนที่จะออกจากวัตะเนี่ยจึงออกยากมากถ้าหากว่าจิตใจนั้น ถูกอวิชากลุม่มรมอวิชานี่มันปกปิดอะไรบ้างที่ต้องขุดในหนึ่งอวิชานี่ปกปิดอดีตอวิชานั้นปกปิดอนาคตอวิชานี่ปกปิดทั้งอดีตทั้งอนาคตนั้นผู้ที่มีปัญญาจริงๆเนี่ยระลึกชาติได้จึงจะไม่อดีตจึงจะไม่ถูกปกปิดมีอนาคตตังสยานรอบรู้ในอนาคตอนาคตจึงจะไม่ถูกปกปิดเนี่ยนะโดยเฉพาะผู้มีปัญญาแบบสูงสุดเนี่ยนะ แต่ทานผะู้ที่ศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าถึงไม่มีปัญญาเล็งแบบนั้นก็อย่างถึงว่าอาดีตเหตุและก็ปัจจุบันผลปัจจุบันเหตุแล้วก็อนาคตผลเนี่ยนะก็เรียกว่ารู้กรรมและผลของกรรมนี่บางคนก็บอกอ้าวแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าอาดีตรเราเคยทํากรรมมาแล้วแล้วเรารู้ได้ยังไงว่าปัจจุบันนี้กรรมมันจะให้ผลต่อไปในอนาคตเขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้รู้ได้ด้วยปัญญาปัญญาที่ วิเคราะห์วินิจฉัยเนี่ยนะที่เปรียบบ่อยๆเหมือนอย่างว่าชาวนาเนี่ยนะที่เขาไม่เคยซื้อข้าวกินเลยเนี่ยเขาแล้วว่าเขาเป็นชาวนาที่ร่ำรวยมากเลยนะข้าวเต็มชุงเต็มยุง่งเต็มช้างไปหมดมีเป็นกูดังกูดังเนี่ยนะทีนี้ถามว่าเขาบริโภคทุกมือเนี่ยที่เขาไม่เคยซื้อข้าวมาจากที่อื่นเลยเขาทานข้าวใครก็ทานข้าวจากนาเขาทั้งๆ ท, ที่ชาวนาเขารู้ว่าเป็นผลผลิตของเขาเขารู้ไหมว่าไอข้าวที่เขากําลังทานอยู่คํานี้เนี่ยนะ เอามาจากฉางไหนอาจจะรู้ฉางแล้วเอามาจากแล้วใครใครเป็นคนขนมาใครเป็นคนแบกใครเป็นคนทุบใครเป็นคนนวดใครเป็นคนเกี่ยวแล้วใครเป็นคนปลูกแล้วใครเป็นคนดูแลตรงนั้นเฉพาะตรงนั้นแลเอามาจากพื้นที่พาอปลูกตรงตารางนิ้วตรงไหนของนารู้ขนาดนั้นเลยหมมันไม่รู้ขนาดนั้นหรอกฉันใดพวก <Wayne> เราทั้งหลายที่จะรู้กรรมรู้ผลของกรรมละเอียดยิบถึงอย่างนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะ รู้ได้แต่รู้ว่าเหตุมีแล้วก็ผลมีกรรมและผลของกรรมก็ฉะนั้นเทั้นอดีตเหตุเป็นปัจจัยจึงมีปัจจุบันผลอดีตเหตุอดีตผลอดีตเหตุปัจจุบันผลอดีตเหตุและอนาคตผลปัจจุบันเหตุปัจจุบันผลปัจจุบันเหตุและอนาคตผลอนาคตเหตุแล้วก็อนาคตผลต่อไปในอนาคตแต่อวิชชาไม่ยอมรับอวิชชาบอกไม่นีจริงบาปมีที่ไหนบุญมีที่ไหนกรรมดีกรรมชั่วมีที่ไหน นะทุกอย่างจบหมดเลยเพราะมันไม่เที่ยงใช่ไหมอันนี้ไปกันใหญ่เลยครับเนี่ยก็เรียกว่าเหมือนเหมือนฉลาดใช่ไหมเหมือนเก่งแต่ไม่ใช่อนนาวิชาเนี่ยปกปิดไม่ให้อย่างถึงอดีตไม่ให้อย่างรู้ถึงอนาคตทั้งอดีตและอนาคตทั้งขันอายตนะธาติที่เป็นอดีตขันธาติอายตนะที่เป็นอนาคตการเชื่อมอดีตเหตุปัจจุบันผ ล, ป, จจนผลปัจจุบันเหตุอนาคตผลต่อไปอย่างไรอะไ ร, ะไรเป็นกรรมเป็นวิบากเป็นกิเลสเชื่อมโยงสืบสาวราวเรื่องกันไปยังไง ก็ไม่เข้าใจเพราะนั้นจึงปกปิดปฏิจจสมุปบาทเมื่อปกปิดปฏิจจสมุปบาทก็ไม่รู้ทุกข์และเหตุให้เกิดทุกข์แม้แต่ทุกข์กับเหตุให้เกิดทุกข์เขายัางไม่รู้แล้วความดับทุกข์เขาจะรู้มาจากไหนเขาก็ไม่รู้อยู่แล้วว่าความดับทุกข์มันคืออะไรและในที่สุดเนี่ยนะก็วิธีการดับทุกข์เนี่ยดับอย่างไรก็ไม่รู้เนี่ยนะก็เปรียบเหมือนว่าธาตุทั้งหลายแบบระบบธาตุโบราณเนี่ยนะระบบธาตุโบราณเนี่ยเขบอกว่า เธอมาเป็นทาสตั้งแต่เมื่อไหร่บอกไม่รู้แล้วใครเป็นคนผูกให้เธอเป็นทาสไม่รู้แล้วทาสแล้วเธอจะต้องใช้ทุนเท่าไหร่เพื่อจะจะแก้จะได้พ้นจากความเป็นทาสบอกไม่รู้แล้ววิธแีแก้ให้พ้นจากความเป็นทาสทำได้ยังไงไม่รู้หาไงดีจํานนก็ขอเป็นทาสตลอดไปสัตว์ทั้งหลายโดยมากก็ฉันั้นก็เลยกลายเป็นขอเป็นทาสรับใช้วัตตะขอเป็นทาสรับใช้ขันทาส อายตนะเขาเรียกว่าธาตุของวัตตะธาตุของตันหาที่นําไปสู่พบใหม่ก็กลายเป็นบุคคลที่ยอมจํำนนนั้นขันห้าเหล่านี้จึงเป็นที่ตั้งแห่งอวิชารูปปกายทั้งหลายเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งอวิชาและเป็นที่ตั้งแห่งตันหาเพราะนั้นก็จงให้ขุดขุดอวิชานี่ซะขุดด้วยอะไรด้วยการเรียนว่า